จากโราคราชไกลเหลือเกินที่พวกเราได้มาออกจากบ้านเวลาเท่าไรท่านเจ้าคุณโอ้ออกมาออกมาตั้งแต่หกทุ่มเป็นไงขึ้น <c oughs> <c oughs> ไปออกมาเดินทางไกลแต่บางคนก็คงจะตุบตุตอมตอมโอ้มาไกลขนาดนี้ผิดที่ผิดทางใช่แล้วท่านเจ้าคุณพามาคราวนี้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 ลุงพ่อมาสร้างวัดปี23มาอยู่ที่นี่และก็ลุงพ่อประจำพรรษาจริงปี25แต่นที่พอมาอยู่ปี25คุณปิยวันเจ้าของภูก้ร์เจ้าของคุณปิยวันวีระวันเขาก็มีพระนําม า, ม า, ม, ามาทางกรุงเทพมาม า, มาหาลุงพ่ออยู่หลายปี2องสสปีจนถึงปี2องพั 28, นระ้อหรือยี่สเนีาก็ถามเขาก็บอกว่า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 แต่ก่อนที่จะมาสร้างเป็นพระให้พวกเราได้เห็นนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาขนาดเท่าไว้ตู้รถส่งเทนเลอร์เนียเอยรถเทนเลอร์ขนาดนั้นแหละแต่ละก้อนละก้อนทั้งหมดเกือบเกือบผ้าสิบก้อนมัน้งอยู่ในนั้นนะพอมาแล้วก็เกิดเสือนออกเสือนออกแต่นั่นเขาอมาทําเป็นองค์พระหลายก้อนนะไม่ใช่คนเดียวนะ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 ทั้งสมองค์นี่คือพระพุท ธ, ธปฏิมากับพระอั克拉สาวกทั้งสององค์เนี่ยทั้งหินด้วยทั้งแกะด้วยส่งถึงที่เป็นเงินสามล้านแปดสห้าหินก่อนนี้นะทั้งสมองค์เนี่ยสามล้านสล้านแปดแสนห้าหมื่นแต่หลวงพ่อคิดว่าถ้าจะว่าแพงหรือก็แพงแต่จะว่าคุ้มค่าแลือก็คุ้มค่า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 ได่ได้ท่าขอรับพอรับก็ได้ไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดมกุฏดนะได้จบปทเก้าจบปทเก้าหลวงพ่อเออดีแล้ววะได้มหาปทเก้าคงจะเป็นทายาทที่เหมือนกับหลวงปู่มหาเขียนหลวงปู่มหาเขียนวัดบ้านโพนรุ่นสมเด็จพระสังฆราชนะหลว ง, งตามหาบัวและกัเจ้าคุณมหาเขียนสามองค์เลยแต่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ประจุองค์ที่ ช, ชิ่นผจญไปเนี่ยเนองค์นี้ก็ ป, ปทเก้ามหาเขียนกับปทเก้าแต่ลุงตามหาบวณปทสามแต่เป็นเพื่อนกันนะอายุเท่ากัน อ, อแต่ลุงตานี่ยสิบสองสิงหาออแต่เจ้าพระคุณสมเด็จนนะตุลาแต่มหาเขียนเท่าไหร่วะเรียงกันใกล้ๆ ก, ก, กันนานๆงั้นะนะเออเมือนตุลาเหมือนกันยังไงนะออแต่สั่งสามองค์ แต่มหาเคียนเนี่ยท่านอพอเรียนจบปทศเกแล้วท่านอยากจะเป็นพิพากษาทีนี่ไม่ไม่อยากเป็นไม่ยังเป็นไม่อยากจะเป็นอะไรทหารนะอนุาสาตไม่อยากเป็นอนุสาสนาจารย์ไม่อยากเป็นอยากจะเป็นพิพากษาก็เลยจะเรียนกฎหมายจะศึกละ ว, ว่างันเดือทศ่เ้าแต่ที่ท่านสมเด็จวัดสมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ย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 เอ า, าคุณแม่อัตมานี่จะได้ศึกไหมเนี่ยว่าเพราะคนอยากจะศึกใช่ไหมละ่พะพอไปเห็นใครก็ว่าใครทํารายเก่งก็จะต้องถามคุณนั้นแลว้วกัน เ, เอะเพราะเขารู้เนี่ยว่าคุณแม่รู้จักอดีตอนาคตเนี่ยอัอตม า, าจะได้ศึกไหมคุณแม่ก็บอกว่าชาตินี้ไม่ได้ศึกนะท่านมหาหนะ์นะเพราะว่า ข้าวก่อนพออายุ18บปปีบวชเป็นเอนสิบปดปีศึกชาติแล้วพอมาชาติต่อมาอีกก็ได้บวชอีกก็ศึกอีกแต่ว่าชาตินี้ไม่ได้ศึกหนักดังว่าเป็นคุณแม่ชีแกว่าชาตินี้ไม่ได้ศึกอ้าวถ้าอาตามาอยากจะศึกะรอใครจะไปห้ามได้คุณแม่ว่าไม่น่าจะได้ศึก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 คนเป็นคนออนิสัยอ่อนน้อมนะเพราะเป็นคนดั้งเดิมเป็นคนป่าตรงพงไัยยังไม่ได้คนทินอื่นไม่ได้เข้ามามาก เ, ออเพราะยังเป็นยังเป็นคนท้องทินอยู่ออถ้าจะวาลักษณะซื่อแล้วก็ลักษณะนั่นแหละออลักษณะซื่อซือตรงตรงออแต่ก็กขมโมยโจรที่ผ่า น, านมาก็ไม่มีรู้สึกว่าบ้านเมืองของเขาก็ได้รับความสงบ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 มรณภาพมาลงไปท่านยังให้พินัยกรรมเขียนพินัยกรรมเอาไว้นะคือฝ่ายพระสงฆ์นะั่นคือท่านให้สี่รูป1พระอาจารย์ฟักวัดเขาน้ตสามผานที่เป็นลูกศิษย์องค์หลวงตาองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อองค์ที่สก็คือท่านพระฝรั่งปัญญาวุฒโธแต่แต่หลวงปู่ฟักท่านมรณภาพไปก่อนก่อนหลวงตาในปีเดียวกันกับหลวงตา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 อ่านพินัยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อกับประชุมประชุมพวกน้องๆทั้งหลายพวกพระทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อว่าอะพวกเราจะทํายังไงถ้าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่จะมาในงานศพของหลวงตาของพ่อแม่ครูจารย์เราแล้วเน่เราไม่ได้ใช้นะถ้าเราใช้ก็ผิดประเภทเราควรจะทำยังไงพระสงฆ์ทั้งหลายก็เงียบหลวงพ่อก็เอาผมเสนอ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 ที่ได้รับบริจาคต่างกลัมต่างวาระตั้งแต่ประกาศว่าจะสร้างเกดีและก็มีคนสมทบเข้ามาเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวนี้ได้เงิน380กว่าล้านนะแล้วก็มีคนถวายฟ้าหญิงอีกวันที่ท่านวางศิลเลิกหนึ่ง100ล้านแล้วก็มีคนถวายทุนกระหม่อมฟ้าหญิงแต่จำนวนนั้นยังไม่ทราบจานวนจำนวน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 หลวงพ่อเองอยากจะให้ม like em. um ันทันสมัยเพราะว่าม eh BE ีคมชอขชชกกตอบตหลวงพ่ออะไอยากจะให้มันทันสมัยเหมือนเขาหลวงพ่อเลยตั้งเชี่ยว่าตตตตตตเปิดเข้ามาข้างในต่อตตเตตตตตตตข้าตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตต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 ธรรมะชุดต่อๆให้กัว่านังสือเล่มนี้นะ่ะได้อ่านดูแล้วว่ามีเนื้อหาสาระอะไรในหนังสือเล่มนี้อันนี้เขาเาประมวลให้มาประมวลให้ให้พวกเราได้อ่านนะแล้วก็อยู่ข้างในเทนีอันนี้อยู่ข้างในอ่ะเรื่องแนะพระฝรังรเผชิญสามปัญหาชีวิตอย่างมีสติปัญญาอันนี้คือพระฝรังเป็นชาวเยอรมัน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 ตามความเห็นของท่านอาจารย์ครับวานะอาจารยเขาก็ถามนะหลวงพ่อก็ตอบยุทธะนี่เหมือนกันแต่ถ้าว่าใครไม่อ่านไม่รู้หรอกหลวงพ่อตอบเขาว่าไงหังจากนั้นให้อ่านดูนะคนนี้นะเอารับพรในตอนนี้นะรับพรแล้ค่อยเอารับหนังสือ